ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันที่14ราชกัญญาพระนามว่ารุจาผู้เป็นพระธิดาที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชได้ตรัสกับพระพี่เลี้ยงว่าขอท่านทั้งหลายช่วยประดับให้ฉันด้วยและหญิงสหายทั้งหลายของเราก็จงประดับพรุ่งนี้ส5บห้าคำเป็นวันทิพย์ฉันจะไปเฝ้าพระชนกนาฏ พระพี่เลี้ยงทั้งหลายได้จัดมาลายัยแกลนจันแก้วมณีจังแก้วมุกดาและผ้าต่างๆสีอันมีค่ามากมาถวายแก่พระนางรุจาราชกัญญาหญิงบริวารเป็นอันมากห้อมล้อมพระนางรุจาราชธิดาผู้มีพระชวีวันงามผุดพองผู้ประทับนั่งอยู่บนต่างองล้วนงดงามราวกับหมูนางเทพกัญญา บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตั้งแต่วันนั้นตะโตความว่าจำเดิมแต่วันที่พระราชาติดข้องอยู่ในเปลือกตมคือกามคุณ น, นั้นคำว่าจนถึงวันที่สิบสี่เทวะจัตต ร, รตัดจะได้แก่ในวันที่สิบสี่คำว่าได้ตรัสกะพี่เลี้ยงทาติมาตระมพรัพภวิความว่า เป็นผู้ใครจะไปยังสำนักของพระบิดาจึงตรัสกับพี่เลี้ยงทั้งหลายดังได้สดับมาในวันที่14พระนางรุจาราชธิดาทรงผ้าสีต่างๆแวดล้อมไปด้วยหมูกุมารีห้ารอยนางพาหมูพระพี่เลี้ยงนางนมลงจากรติวัฒนปราสาทเจ็ชั้นของพระองค์ด้วยสิริวิราชอันใหญ่ยิ่ง เสด็จไปยังจันทกะปราศาสเพื่อเฝ้าพระชนกนาฏลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชท่อพระเนตรเห็นพระธิดาทรงมีพระไทยยินดีชื่นบานให้จัดมหาส ก, การะต้อนรับเมื่อจะทรงกลับจึงได้พระราชทานทรัพย์ 1,000 พันกหาปณะนะแล้วส่งไปด้วยตรัสว่านี่ลูกเจ้าจงให้ทาน พระนางรุจานั้นเสด็จกลับไปยังนิเวศของตนแล้ววันรุ่งขึ้นจึงทรงรักษาอุโบสถศีลทรงให้มหาทานแก่คนกำพระคนเดินทางไกลวันิพกและยาจกเป็นอันมากได้ยินว่าพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงพระราชทานชนบทแห่งหนึ่งแก่พระธิดาพระนางรุจาได้ทรงกระทากิจทั้งปวงด้วยรายได้จากชนบทนั้น ก็ในการนั้นเกิดลือกันขึ้นทั่วพระนครว่าพระราชาทรงอาศัยคุณาชีวะกะจึงทรงถือมิจฉาทิฐิพวกพระพี่เลี้ยงนางนมได้ยินเขาลือกันดังนั้นจึงมาทูลพระนางรุจาว่าถ้าแต่พระแม่เจ้าเขาลือกันว่าพระชนกของพระองค์ทรงสดับถ้อยคำของอาชีวะกะแล้วทรงถือมิจฉาทิฐิ และได้ยินว่าพระราชานั้นตรัสสั่งให้รื้อโรงทานที่ประตูเมืองทั้งสี่และทรง ข, งข่มขืนหญิงและเด็กหญิงที่ผู้อื่นห่วงห้ามมิได้ทรงพิจารณาถึงพระราชกรณียกิจเลยทรงมัวเมาอยู่แต่ในการมคุณพระนางรุจานั้นได้ทรงสับคำของพระพี่เลี้ยงนางนมเหล่านั้นก็ทรงสลดพระทยัยจึงทรงดำริว่า เพราะเหตุอะไรหนอะพระชนกของเราจึงเสด็จเข้าถามปัญหากะคุณาชีวกะผู้ปราศจากคุณธรรมไม่มีความละอายผู้เปลือยกายเช่นนั้นสมณะพราหมณ์ผู้มีธรรมเป็นกรรมวาทีควรที่จะเข้าไปถามมีอยู่มิใช่หรือแต่เว้นเราเสียแล้วคนที่จะปลดเปลื่องมิจชาทิธิของพระชนกของเรา ให้กลับตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิอีกคงจะไม่มีใครสามารถก็เราเระลึกชาติได้ถึง14ชาติคือที่เป็นอดีตเจ็ชาติที่เป็นอนาคตเจชาติเพราะฉะนั้นเราจะทูลแสดงกรรมชั่วที่ตนทำในชาติก่อนและแสดงผลแห่งกรรมชั่วปลุกพระชนกของเราให้ทรงตื่นก็ถ้าเราจักเฝ้าในวันนี้ไซร์พระชนกของเราคงจะทวงเราว่า เมื่อก่อนลูกเคยมาทุกกึ่งเดือนเพราะเหตุไรวันนี้จึงรีบมาเล่าถ้าเราจะทูลว่ากระหม่อมฉันมาในวันนี้นั้นเพราะได้ทราบข่าวเล่าลือกันว่าพระองค์ทรงถือมิจฉาทิฐิคำของเราจะไม่ยึดคุณค่าอันหนักแน่นได้นักเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าไปเฝ้าเลยถึงวันสิบสี่ข้าจากนี้ไป เฉพาะในวัน14่ขั้นในการปักเราจะทําเป็นไม่รู้อะไรเข้าไปเฝ้าโดยอาการที่เคยเข้าไปเฝ้าในการก่อนๆครั้นเวลากลับเราจะทูลขอพระราชทรัพย์ห0ึ่พมาทาทานเมื่อนั้นพระชนกของเราจากแสดงการถือมิจฉาทิฏฐิแก่เราลำดับนั้นเราจะมีโอกาสให้พระองค์ทรงละทิ้งมิจฉาทิฐินั้นเสียได้ ด้วยกำลังของตนเพราะฉะนั้นในวัน14ค่ค่ำพระนางรุจาราชธิดาจึงทรงใครจะไปเฝ้าพระชนกจึงตรัสอย่างนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าและหญิงสหายทั้งหลายสขิโยความว่าหญิงสหายกับทั้งกุมาริกาประมาณห0 0คนของเราทั้งหมดจงประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆ แต่ละอย่างไม่เหมือนกันคือด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล่มีสีต่างๆคำว่าเป็นวันทิพ์ทิพโยได้แก่วันทิพ์ที่ชื่อว่าทิพ์เพราะประชุมกันและประดับอย่างเทวดาก็มีคำว่าจะไปคัดฉังความว่าฉันจะไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชผู้เป็นพระชนกนาถ เพื่อให้นำธนวัตรของเรามาคำว่าได้จัดมาถวายอภิหาริงสุความว่าเล่ากันมาว่าให้อาบด้วยหม้อน้ำหอม16หหม้อแล้วนำไปเพื่อประดับนางกุมาริกาคำว่าพ้อมล้อมปริกิริยะได้แก่แวดล้อมแล้วคำว่าล้วนงดงามอโซพิงสุ ความว่าวันนั้นหญิงบริวารพากันแวดล้อมพระนางรุจาราชธิดางามยิ่งนักราวกับนางเทพกัญญาทั้งหลายก็พระนางรุจาราชธิดานั้นประดับด้วยเครื่องสัมภารสเสด็จไปณนะท่ามกลางหญิงสหายเพียงดังสายฟ้าแลบออกจากเมฆเสด็จเข้าสู่จันทกะปราศาสต พระนางรุจาราชธิดาสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชถวายบังคมพระชนกนาฏผู้ทรงยินดีในวินัยแล้วประทับอยู่ณนะตังอันขจิตด้วยทองคำส่วนหนึ่งบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าดังสายฟ้าแลบสเตริตาได้แก่เหมือนสายฟ้าแลบคำว่าเพียงดังจากเมฆอัภมิวะได้แก่ แอบออกจากภายในกลีบเมฆคำว่าสเสด็จเข้าปาวิสิความว่าสเสด็จเข้าไปสู่จันทกะปราศาสอันเป็นที่ประทับของพระชนกนาฏคำว่าอันขจิตด้วยทองคำสุวัรณขะจิตเตได้แก่ที่ตั้งอันล้วนแล้วด้วยทองคำอันวิจิตด้วยรัตนเจตก็พระเจ้าวิเทหราช ทอยพระเนธเห็นพระนางรุจาราชธิดาผู้ประทับอยู่ท่ามกลางหญิงสหายซึ่งเป็นดังสมาคมแห่งนางเทพอับสรจึงตรัสถามว่าลูกหญิงยังรื่นรมอยู่ในปราศาสและยังประพาสอยู่ในอุทยานเล่นน้ำในสระโบกครณีเพลิดเพลินอยู่หรือเขายังนำเอาของเสวยมากอย่างมาให้ลูกหญิงเสมอหรือ ลูกหญิงและเพื่อนหญิงของลูกยังเก็บดอกไม้ต่างๆชนิดมาร้อยพวงมาลัยและยังช่วยกันทำเรือนหลังเล็กๆเล่นเพลิดเพลินอยู่หรือลูกหญิงขลาดแคลนอะไรบ้างเขารีบนำสิ่งของมาให้ทันใจลูกอยู่หรือลูกรักผู้มีพักอันผ่องใสจงบอกความชอบใจแก่พ่อเอดิดแม้สิ่งนั้นจะเสมอดวงจันทร์ พ่อก็จักให้เกิดแก่ลูกจนได้บรรดาคําเหล่านั้นข้อว่าซึ่งเป็นดังสมาคมแห่งนางเทพอับสอนอัชารานังวะสังฆมังความว่าทอดพระเนรเห็นสมาคมนั้นเหมือนสมาคมแห่งนางเทพอับสรคคาว่าในปราศาสปาสาเทความว่าลูกเอ๋ย เจ้าย่อมยินดีเพลิดเพลินในรติวัฒนปราศาสตรอันเสมอเวชยันตปราสาสตร์ซึ่งพ่อสร้างไว้เพื่อเจ้าอยู่หรือข้อว่าประพาสอยู่ในอุทยานเล่นน้ําในสะระบุคระีอันโตโอคระนิงปติความว่าเจ้ายังเล่นน้ํารื่นรมในสระบุครณีอันมีส่วนเปรียบด้วยนันทโบคุคระี ซึ่งพ่อสร้างไว้เฉพาะภายในอุทยานเพื่อลูกอยู่หรือด้วยคำว่าพวงมาลัยมาละยังพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามว่าลูกเอย๋ยพ่อจะส่งผอบดอกไม้25ห้ากล่องแก่เจ้าทุกวันทุกวันพวกเจ้าผู้เป็นกุมาริกาทั้งหมดยังเก็บดอกไม้ร้อยพวงมาลายนั้นเล่นเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดหรือยังทาเรือนเฉพาะหลังเล็ก เล่นเพลิดเพลินอยู่หรือพวกเจ้ายังกระทําเรือนดอกไม้ห้องดอกไม้ที่นั่งดอกไม้และที่นอนดอกไม้เหมือนอย่างแข่งขันกันโดยเฉพาะอย่างนี้ว่าเราจะทําให้ดีเราจะทําทให้ดีกว่าอยู่หรือคําว่าขาดแคลนวิกาลังได้แก่บกพร่องคําว่าจงบอกความชอบใจ มะนางกัล ส, สุได้แก่จงยังจิตให้เกิดด้วยคําว่าผู้มีพักอันผ่องใสกุตตมุขขีพระเจ้าวิเทหราชตรัสกับพระนางรุจานั้นอย่างนั้นเพราะพระนางเป็นผู้มีพักอันผ่องใสด้วยผงเมล็ดพันผักกาดจิงอยู่ยิงทั้งหลายทําสีหน้าให้ผ่องใสทาหน้าด้วยผงเมล็ดพันผักกาดก่อน เพื่อกำจัดไฟฟ้าที่ทำลายใบหน้าที่มีโลหิตเสียแต่นั้นย่อมไล้ทาด้วยผงดินเพื่อกระทำโลหิตให้สม่ำเสมอแต่นั้นทาด้วยผงเมล็ดงาเพื่อทำผิวให้ผ่องใสข้อว่าสิ่งนั้นจะเสมอดวงจันพ่อกระจักให้เกิดแก่ลูกจนได้จันทสมังฮิเตความว่า ชื่อว่าของที่ได้ยากกว่าดวงจันทร์ย่อมไม่มีเจ้าชอบใจในของเช่นนั้นจงบอกพ่อพ่อจะจัดแจงให้แก่ลูกพระนางรุจาราชธิดาได้สดับพระดํารัสของพระเจ้าวิเทหราชแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชากระหม่อมชั้นย่อมได้สิ่งของทุกๆอย่างในสํานักของทูลกระหม่อมพรุ่งนี้สิบห้าค่ำเป็นวันทิพย์ ขอราชบุรุษทั้งหลายจงนำพระราชทรัพย์พันหนึ่งมาให้กระหม่อมฉันจักให้ทานแกวณิพกทั้งปวงตามที่ให้มาแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแกวณิพกทั้งปวงสัพพวะนิสวะหังความว่ากระหม่อมฉันจักให้ทานในบรรดาวณิพกทั้งปวง พระเจ้าอังคติราชได้สดับพระดารัสของพระนางรุจาราชธิดาแล้วตรัสว่าลูกหญิงทำทรัพย์ให้พินาชเสียเป็นอันมากหาผลประโยชน์ไม่ได้ลูกหญิงยังรักษาอุโบสถศีล์ไม่บริโภคข้าวน้ำเป็นนิดอยู่ลูกหญิงถูกลิขิตให้ไม่พึงบริโภคข้าวน้านัน้นบุญไม่มีจากการไม่บริโภคนั้น บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพระเจ้าอังคติราชตรัสอังคติมัพรวิความว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าอังคติราชนั้นแม้พระราชธิดาไม่เคยทูลขอก็ได้ให้ทรับหนึ่งพันกะหาปณะนะด้วยตรัสว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงให้ทานแม้ถูกพระราชธิดาทูลขอในวันนั้นก็ไม่ให้ระถือมิจฉาทิฏฐิ จึงได้ตรัสคำนี้มีอาธิว่าลูกหญิงทำทรัพย์ให้พี่นาศเสียเป็นอันมากข้อว่าลูกหญิงถูกลิขิตให้ไม่พึงบริโภคข้าวน้ำนั้นนิยะเตตังอพุตตพังความว่าเจ้าไม่บริโภคอาหารนี้ด้วยอำนาจถูกลิขิตไว้บุญย่อมไม่มีแก่ผู้บริโภคหรือไม่บริโภค คนทั้งปวงพึงบริสุทธิ์ได้โดยไม่ล่วงเลยแปดสิบสีมหากับแม้วีชกกะกบุรุษได้ฟังคำของคุณนาชีวะกะกัสปะโคดในการนั้นแล้วถอนหายใจฮึดฮัดร้องไห้น้ำตาไหลลูกหญิงรุจาเอย๋ยตราบเท่าที่ลูกยังมีชีวิตอยู่อย่าอดอาหารเลยประโลกไม่มีณคนดี ลูกหญิงจะลำบากไร้ประโยชน์ไปทำไมบรรดาคำเหล่านั้นทำว่าแม้วิชะกะบุรุษวิชโกปิความว่าพระเจ้าอังคติราชทรงนำแม้เรื่องแห่งวิชะกะบุรุษมาเป็นอุทาหรณ์แก่พระราชธิดาว่าแม้วิชะกะบุรุษกระทำกลาลยานกรรมในการก่อนเพราะผลแห่งกรรมนั้นจึงบังเกิดในท้องของนางทาสี คำว่าไม่มีนะคนดีนัตถิพัตเทความว่าแน่คนดีคุณอาจารย์กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายผู้ผุดเกิดไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ยินดีในความพร้อมเพรียงกันผู้ปฏิบัติชอบย่อมไม่มีในโลกก็เมื่อประโลกมี โลกหน้าชื่อว่าพึงมีโลกนี้นั้นนั่นแลย่อมไม่มีและเมื่อมารดาบิดามีบุตริดาก็พึงมีแต่บิดามารดาย่อมไม่มีเมื่อทำมีสมณะพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมพึงมีแต่สมณะพราหมณ์เหล่านั้นนั่นแลย่อมไม่มีลูกจะให้ทานไปทำไมจะรักษาศีลไปทำไมเดือดร้อนไปทำไมไร้ประโยชน์